ชาดกนีเคยกลมเกลียวชีวิตจิตใจคนไทยทั้งชาติมาแล้วครับชาดกนั้นไม่ใช่นิทานบาบบบ้าๆครั บ, บช้างพูดได้ช้างเป็นโพสตสัตว์แต่เป็นนิทานอุดมคติของการเสียสระซึ่งสิ่งนี้ก็ททำให้เกิดการอนุรักษ์ทั้งสัตว์ป่าทุกชนิดเพราะว่าเมื่อเราเหลียวแลวไปดูกระลอกถ้าเราเรียนชาดกมาหรือว่าสมัยหนึ่ง พระโพธิสัตว์เสวยพิชชาติเป็นกันลอกเราไม่ต้องค้นหาแฟกต์ของมัน น, นะะแต่ข้อเท็จจริงคือมันยับยั้งความทำลายอะไรของเราได้เป็นอันมจใช้ได้มนเรื่องนะี้ที่เล่าสู่กันฟังก็คือรูปแบบการนำเสนอชา ด, ดกของเราในช่วงร้อยปีที่แล้วมาเนี่ยเลอะล่ามากก็ขึ้นต้นอติเตากาเลนเมืองภาพ า, พาลานสิญายงก็ฟังเด็กเ่นใหม่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ ถ้าเรารู้ว่าเมื่อนิทานนันล้าเลิศเหล่านีนะ้เข้ามือนักสร้างรถยนตร์อย่างคโครซาวาแล้ว น, น, นี่ครับโลกตะลึงทันทีครับเพราะผมมันงดงามเหลือเกินเนท่านก็นผมเช่นยกตัวอย่างเรื่องพระโพิสัตย์ฉับทันนะครับเราจะคิดว่าเป็นเรื่องช้งๆป่าๆเราคิ่านี่เป็นวิธีนำเสนอมโนธรรมล้า ล, ลึกของผู้ที่จเป็นพระเจ้าในวันหน้าที่เรียกพระโพิสัตย์ฉาดกเรื่องนี้นั้เป็นการตายเพื่อพิสูจน์ความยุติธรรม ซึ่งนั ก, กาเมืองสมยนี้ไม่มีใครสนใจเลยเพราะเขาไม่ชอบที่ได้ยินได้ฟังเรื่องตายเพื่อความเป็นธรรมนี่ พ, พ, พระโพธิ์ผมเล่าเรื่องย่อเพื่อเป็นเค้านะครับพระโพธสัตว์สวยพิชาติเป็นปีศาช้างชื่อฉับทันอยู่ในป่าหิมะผานะีา่มีความรักต่อช้างพังทั้งคู่เส ม, มอเหมือนกันทื่สุภทานและมหาสวัภทานนะแต่ที่เหตุอุบติเหตุบางเอิญต่างๆเนะี่ยทำให้มีน้อยโกรธแค้นมากหาว่าเป็นคนไม่ยุติธรรมเลยคร้าวหนึ่ง องวงถอนสายบวัวล้างให้มหาสุพัฒนาเมียหลวงพูดภาษาชาบ้านนะฮะแล้วอยาถามผมทําไมต้องมีสองเมียไอ้นี่คนละประเด็นและเพราะทีที่ถอนส่งให้สุพัฒนาบังเอิญติดโครนไปด้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญนะฮะฝ่ายวัฒนาเมีนยน้อยก็เจ็บแขนว่าอักขติอีกคนหนึ่งพงวงเด็ดกิ่งว่าให้ก็เจอรังวดแดงให้ มน้อยก็เลยโกรธแค้แล้วปักใจเจ็บว่าต้องล้างแค้นให้ได้เรืยกว่าแค้นข้ามภพข้ามชาติกันดี่เครับอธิษฐานคอยเกิดมีอํานาจวาสนาที่วันนี้ถ้เราจับดีๆก็คนสมัยนี้ก็เป็นนะแค้นข้ามภพข้ามชาติพอเกิดมาก็ระลึกชาติได้ด้วยนะว่าพระโพสต์อยู่ที่ไหนก็สั่งพลานให้เข้าป่าเพื่อเป็นเลื่อยงามาทําตังก็นั่งใน ห, หายเจ็บใจทีแล้วก็ เรืซิด้วยบอกให้ออกผ้าเหลืองมา้ทุกผืนรู้ดีว่าโพยสัตว์เนี่ยเกรงผ้าเหลืองมากจะไม่ฆ่าไม่ทำลายพรานก็ไปวางกลไกกแางเข้าเาท่าโพยสัตว์เปนสัตว์ที่ฉลาดคว้าเอวเอะพลานนั้นได้จะฟาดให้ตายนะเพื่อพิทักฝูงโขลงท่านทุกท่านเหลือไปเห็นผ้าเหลืองก็ใจาอ่อนนะสอบถามได้ความแล้วโพยสัตว์ก็รู้ว่าคนมืตัวเองรักมากเข้าใจผิดทั้งหมด ดังนั้นก็จําจะต้องตายเพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมกันมาเนี่ย้ในสุดก็นอนให้เขาเอางาไปแล้วตัวเองก็ตายจากจุดเหล่านี้ครับเราเพบว่าเป็นทีท่านเราอุดมกติที่รักความเป็นธรรมยิ่งชีวิตมันไม่ได้เป็นเรืเ่ช้ า, างก็คือเขาสอนมนุษย์ครับแล้วครั้งทดีฉับทันชาดกได้ลกลายเป็นเทรยอดเทร ด, ดีนะฮะเขาว่าศิลปะชั้นสูงนั้นอยู่ที่เทรดจดีีคือโศกนาฏกรรม เหมือนเราได้ยินเสียงดนตรีที่ซอดึกๆนี่มันเศร้ามากแต่เมื่อได้ยินเพลงเศร้าหัวใจเราจะชุ่มชื่นขึ้นมันแปลกนะฮะในเรื่องในเรื่อ ง, อ, งอันนี้นะฮะข้าพาดีนะฮะกรมยานริตรานวัติวงศ์สมัยพระองค์ท่านบวชปอกบินบาบ่าว่าท่านเดินมาที่หนึ่งได้ยินเสียงซอเรื่องพระยาฉับทันท่านหยุดนิ่งเลยไม่เคยได้ยินเสียงดนตรีไหนที่เศร้าและไพเราะขนาดนั้น เรื่องราวฉัดชันโศกนาฏกรรมวันนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินนี้นะฮะเร่ยกเพลงขอทานเล่าเรื่องเหมือนกับพรณนาความยุติธรรมของพระโรธิสัตว์ไม่ใช่เรื่องเดียวนยี่ที่ทุาอ้างโครเว่ามือกํากับภาพยนตร์ที่ฮารูบุชโยกมือเทวดานีก็เพราะว่าหลายเรื่องที่โครเว่าเอาจากชาดกไปนั้นครับเช่นเจอามูลไลพรินเซสเจ้าหญิงแสงจันทร์นะครับเอาไปจากอุตสาเทวีในชาดก แล้วราชฉมนก็คือจันโบ้โรบครับแต่พอเข้ามือผู้ที่มันเห็นความงามไม่ได้แล้วโลกตะลึงทันทีดังนั้นแทนที่เราจะตัดชาดกทิ้ ง, งนะฮะเหมืนที่เสนอนะผมก็คิดว่าเราต้องหันหาชาดกให้มากขึ้นเราต้องพิจารณาหาแกนของมันเนี่ยแล้วนําปรับรูปให้มีเสน่ห์ให้มีความน่ารักและความงดงามนะหลายเรื่องมากครับยกไปอย่างอีกเรื่องหนึ่งบริษัทสวยประชากเป็นพยานกอยู่ในป่าที่เมืองพานนะค ทุกเช้าจะแนะนำเทศนาก่อนที่นกจะออกออกหากินฟังดูโรแมนติกดีนะ้รแต่ที่ผมจะเล่าคือเมื่อเทศนาทุกๆเช้าแล้วเนี่ยทุกเช้าของการเทศนาจะสรุปลงด้วยการแนะนำประโยคสุดท้ายว่าพระพิษัทจะพูดว่าหวังว่านกทั้งหลายคงไม่สะสมเกินจำเป็นนะฟังดูเองไมสอนเลยว่าไอ้ชาดกทั้งหมดเป็นการ เราอุดมการนะครับในทางธรรมที่จริงเช่นเดียวกับเรื่องของยูนิคอนของคริสเตียนนะฮะว่บริษัทซึ่งหมายของเยซูนฮะที่ยูนิคอนสัตว์แสนสวยที่ใจซื่อด้วยบริสุทธ์ด้วยอาศัยในหุบเขาที่พระเจ้าเลี้ยงดูอยู่ต่อมาพรานคนหนึ่งเขาอยากได้เขาแล้วก็ก็ส่งทิดาแสนสวยมายั่วยวน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 ตายด้วยน้ำมือคนที่เรารักดีที่สุดซึ่งต่อมาเขาอุปมาพระเยซูตายเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาต์เพื่อไทยบาปให้มนุษย์ที่วาติกันเขเขียนเรื่องนี้เลยนะฮะที่กําแพงด้านหนึ่งฟังดูมันผมว่ามันมันเปสิ่งวิเศษแทนที่จะเป็นเรื่องเหลวไหลผมอยากเห็นภาพยนตร์พรอนุดมการณ์ของธรรมจริยธรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนั้นเราตัดทิ้งไม่ได้ครับเป็นงานหนึ่งแสนวิเศษแต่เราต้องไขกุญแจ เปิดเผยความจริงเนื้อหาด้านไหนออกมาอ๋อครับในเรื่องการประสูตินั้นฮะมีเรื่องตง้องพิจารณาและตีความก็คือการเดินเจ็ดเก้านั้นก็ตีความกันนะครับว่าพระมหาสมุทรเจ้ากรมพระวิญญาณมารโอรถตีความว่าเก้าเดินไม่เจ็ดชนบทเจ็ดแกรนนะฮะซึ่งผมคิดว่าคลาดเคลื่อนจริงพระพเจ้าท่านตรัสไว้เองเลยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดโพธิชงเจ็ดเกิดพุทธะก็เกิด ดอกบัวเจ็ดอกเจ็ดเก้าหมายถึงู้ชมเจ็ครับแล้ว้อมอุทานว่าเราประเสริฐเลิศที่สุดชาตินี้ชาติสุดท้ายบางก็คัมภีร์บอกว่าเกิดทั้งลักแลก้เขามีครับบางคำพบอกเกิดทางหน้าแข่งคือเลี่ยงในพ้นจากความเป็นธรรมดาสามัญที่ว่ายืนเกิดมีข้อนิจฉัยอันหนึ่งนะครับที่พลรับฟังได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะในช่วงที่มายาเทวีเสด็จกลับเทวะทหะเพื่อไปครอดตามธรรมเนียมนะฮะมีข้อ คำถามว่าทําไมถึงชราใจจนกรทั่งไปคลอดกลางทางทั้งๆยังมีผู้รู้หมอตําแนหมอหลวงเยอะทําไมชราใจนี่ขนาดนั้นโดยแท้จริงไม่ใช่เห่างนั้นครับเพราะคำพีลลิสวิสละบอกว่าไม่ได้เสด็จไปเทวธ า, ท, าทรงเกิดดนใจอยากจะชื่นชมดอกสาระดอกไม้เลยเสด็จโดยตรงไปที่ลุมพินีครับไม่ไม่ได้ใช่ผ่านเพื่อไปเทวธาอนี้คมพีรมขัดกันเองอยู่ผมเพียงเสนอข้อขัอขดแยง้งเท่านั้นเองนะและการที่ พนังได้เห็นช่อดอกสาระบานก็รื่นรมตามสาวเพราะยังสาวอยู่เป็นคันแรกครับก็ลงไปเล่นเกมชนิดหนึ่งในเดชครั้นั้นเขาเรียกสารพันจิกาสารพันจิกาคือการหักดอกสาระกุศลปรารถนาขว่างกันเล่นในหมู่สาวสนมกกำนันความกุศลปรารถนาหักดอกไม้ปาหัวกันเล่นนั้นพนางก็เล่นกับกับสาวสนมกกำนั้นท่าเด็ดดอกสาระเลยกลายเป็นท่าเหนี่ยวกิ่งลังนะครับ ยืนคลอดมันก็ฝืนธรรมชาติถ้าเราคิดในแง่ธรรมชาติมันก็ขัดแย้งมากนะแต่ท้่จริงช่างเ็าต้องการจะรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดให้อยู่ในภาพเดียวประคำพีทั้งหมดนี้ถูกจดจาร์ตามรอยหินสลักโบราณนะฮะประมาณก่อนหน้าเจ้าโศกเล็กน้อยแล้วเจ้าโศกประมาณ3า0รปีนะฮะหลังพุทธกาลเนะี่ยพุทธวัดนั้นอยู่ในหินสลักแล้วประคำพีนี่เขียนตามหินสลัก ตั้นมีการต่อเติมตีความเหมือนพระกัมภี์นี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่อย่าคิดว่าความคลาดเคลื่อนนั้นเป็นความผิดบางทีความคลาดเคลื่อนนั้นเพื่อรสชาติในกรณีที่พระเจ้าออกบวชนะฮะ เ, เล่าว่าประตูพระราชวังนั้นต้องใช้ทหารตั้งพันคนเนื้อเปิดได้นะฮะแต่ในคืนนั้นเทพยาดาผู้ไร้ว ร, ร่างในตัวตนเป็นใจครับเปิดประตูให้แล้วก็เกรงว่าฝีเท้าควบไปจะกึกก้องจนเหตุได้ ผู้คนตื่นเทวดาวเข้าอุ้มในภาพยนตร์ t ิ e b u d ด้ a เอาฟางข้ามัดกันแล้วเดินจูงไปทีนี้เมื่อข้ามกำแพงไม่ได้ก็เหาะไปดีกว่าในท้องฟา้าเราดูชช่นนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าเาะคัมคำพีเล่าว่าผู้เจ้าดำดินไปบวชผ ม, มจะไม่ค้านสักคำหนึ่งผมเข้าใจดีนี่เป็ น, ปนรถแห่งวรรณกรรมไปอ่านปฐมสมโพธิจะรู้นะครับว่า ว่าคำพิเหล่านี้เขาไม่ต้องการให้พิสูจน์ความจริงครับแต่ต้องการให้สร้างศรัทธาขึ้นแต่ผมเห็นด้วยในแง่ที่ว่าศรัทธาชนิดนี้ ม, นมันมันดาบสองสองคมบางทีมันเพิ่มความกำลงใจให้เหมือนที่ชาวพุทธทั่วไปในระดับทั่วไปนะครับในทุกวันนี้นี่เมื่อเข้าไปกราบพุทธรูปบางทีคิดไปรูปเคารพแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ามีผีสิงสถิตอยู่ในนั้นพู้เจ้ากายเป็นหัวหน้าผีอะไรก็มีนะ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่กับ ป, ปัญหาเรื่องแังเหมือนกันเป็นมะเร็งทีเดียกครับท้ายสิ่งทีรู้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการตรจสอรู้ครับเปลวประภามมลทนที่เป็นเปลวไฟไม่ใช่สีสางท่านไม่ใช่ตินปัดผมด้วยนะครัครั้งหนึ่งมีฟาฝรั่งไปดูฝรั่งเึ่งคนนอกวัฒนธรรมเขาจะเห็นอะไรก่อนเราเขาบอกทําไมพู้เจ้าหัวแหลมเปรียบอย่างนี้เราเรื่องนึงได้อ้าวจริงด้วยคือเราอยู่ในท่ากลางว่าทำเราแล้วก็เฉยนิ่งเราไม่ตั้งคําถามที่ตั้งคําถามที่ดีมากเลยครับ ทมผู้จ้าหูยานถึงบ่าชนเผ่าไหนกันแน่แล้วทำไมผมหยิกเป็นเหมือนกโกลวไปเลยนะแล้วทำไมมีหัวแหลมหรือหนกผมเหมือนน้ำทเรียนอะไรนี่นะทั้งหมดนั้นเป็นสัญลักษณ์ทท่านั้นครับผมวูาเจ้าว่าเราต้องทำความรู้จักสองส่วนนะครับคือาศาสนาพุทธหรือาศาสนาในในในโลกหนึ่งครับจะมีสองสองส่วนผมจะแทนด้วยสามเหลี่ยมพีระมิดนะฮะ เอาเส้นแบ่งยอดบนซึ่งเนื้อที่น้อยมากนั่นคือศาสนาคําสอนบริสุทธิ์ซึ่งแต่เดิมก็ไม่มีคําว่าศาสนานะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกว่าศาสนาเลยแต่เพิ่งเรียกกันที่หลังครับพระเจ้าเรียกคําสอนท่านว่าพระธรรมวินัยเรียกนนะครับเนื้อที่น้อยส่วนบนนั้นเป็นคําสอนบริสุทธิ์ขององค์พระศาสดานะครับที่ฐานล่างนี้เนื้อที่มากเป็นคติความเชื่อของชาวบ้านผมเรียกฐานล่างว่าปาปิลาบุรีเชิง หรือเรียกว่าศาสนาป๊อปก็ได้รอเรียนดนตรีป๊อปคือศาสนาพุทธในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านซึ่งผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรของท้องถินน่นนี่เป็นธรรดาที่สุดครับไม่ว่าศาสนาพุทธหรือคริสต์หรือมุสลิมเมื่อไปถึงตินฐานไหนแล้วเราต้องยังลากฝากใบลงไปในนั้นมีความจําเป็นต้องประสมผสานอุคติความเชื่อของคนพื้นบ้านพื้นเมืองไม่งั้นติดตั้งไม่ได้ครับ แล้วถ้าเกิดการแปรรูปถ้าการแปรรูปนั้นเป็นสุดโต่งไปก็กลายเป็นศัพธรรมปฏิรูปคือผิดเพีพ้ยนไปเลยครับไม่ไม่เป็นคําสอนพระเจ้าอีกเลยแต่โดยทั่วไปแล้ววัสนะไปที่ลังกาก็มีลักษณะอย่างลังกานะไปที่ทิเบตก็ผนวกกัาเข้าความเชื่อของลัทธิเก่าของทิเบต ก, ก็ลัทธิบอลปะมีเรื่องเวทมนต์คาถานะแต่ว่าในสุดเขาก็รักษาส่วนยอดไม่ได้คือคําสอนบริสุทธ์มีอยู่เนะี่ยผมบอกแล้วเมื่อเข้าวัดนันไม่ใช่เพียงไปเข้าหา เรื่องราวทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะฮะแต่เข้าหายานทัศนะที่ซ่อนอยู่ในนั้นผู้เป็นชาวทิเบตที่เข้าถึงเปลือกนี่ก็มีชาวพุทธก็เหมือนกันครับในวัดมันมีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งกัญนะมีทั้งเฮโรอีนมีทั้งกลิ่นทูบนะฮะมันปนมันยุ่งไปหมดนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเราจะหากระบวนการแก้ไขวิกฤติการณ์อนี้ก็คือเจาะช่องให้ เนื้อที่ที่ยอดที่มีน้อยไหลเทบาลงมาสัมพันธ์กับส่วนล่างแต่ส่วนล่างเป็นฐานการเปลี่ยนแปลงสังคมเนะืนักปฏิวัติสังคมนักศาสนาที่หวังจะเผยแผ่ต้องเห็นความลุ่มคลานงฐานล่างซึ่งคนจํานวนมากแต่ว่าอาจจะผิดเพี้ยนมากมากแต่ถ้าฐานล่างนั้นเกิดสัมพันธ์กับยอดบนขึ้นมานะนั่นคือพุทธศาสนาได้ที่แท้จริงได้ซึมแทรกเข้าไปในทุกครัวเรือนดังเช่นตัวอย่างครั้งสมัยพระเจ้าโสมกหรือ ในสมัยศรีวิชัยเชื่อกันว่าพุทธศาสนาจริงๆเนีบริสุทธิ์จริงๆนะซึมแทรกเข้าไปทุกตัวเลยนะในลังกาทุกวันนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของเราครั้งหนึ่งนะเราก็เมื่อสาบสูงไปเราก็คืนให้นั้นลังกากับเราในี่ใกล้เคียงกันมากแต่ทุกวันนี้เขามีอะไรที่มีสเสน่ห์มากครับในพิธีกรรมอะไรเนี่ยยิงชนากําลังดํานาอยู่พอได้ยินเสียงใครังวัดนั้ก็ทิ้งกล้าพนมมือสวดอิติปิโสในนาเลยครับคือ ศา ส, สนาธรรมกับชีวิตประจำวันเน้แ น, น่นของเราแยกกันอยู่เนี่ยแยกกันอยู่เข้าวัดทิ้งกันเรียบร้อยใจเย็นกลับบ้านก็บตบหน้าคนใช้ได้ทันทีเลยเราลงแกกันยังไงก็ไม่รู้ครับผมคิดว่าสิ่งที่ถามนั้นดีครับแต่ว่าเราต้องระัดรวังมากเราต้องทําให้ศาสนธรรมคงอยู่เนื้อหาแท้จริงคืนมาแทนที่จะเฉือนทิ้งโดยโดยคิดว่าไม่มีประโยชน์ผมคิด่าทุกสิ่งที่ศาสนธรรมได้ฟู้งฟักมามีประโยชน์ แต่ว่ามีสิ่งที่เลื่อสนิมมครับมันเข้ามาแทะเข้ามากัดเหมือนเราเห็นพระองค์เดียวทำชั่วช้าละโมกเรายุบคณะสงฆ์เลยดีอะอย่าให้มีพระบวชเลยจะได้ไม่ต้องอเปลื้อนผมว่าไม่ถูกคิดอย่างนั้นเนอะ เรื่องที่เป็นห้าต้องมีหญิงเคยอใน้องน้นใ น, น, นใช่วงไรกมเพราะฉะนั้นไม่มีคนแหลงก็ปล่อยให้ชื่ออะไรไปตาม น, นั้นอันนี้เป็นความที่ผมว่าคออาจจะทให้คนที่นอกมีตองมองดูแลเพกาะเาไม่ไดไนน ค, รครับหลายเรื่องนะครับเรื่องของพี่นิหารอะไรแต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆนะครับหรือสังเกตุเล็กน้อยเราพบว่าพระคำพีขัดแย้งกันเองตลอดเวลามีมากเหมือนกัน เช่นอ่านว่าพระเจ้ามีฤทธิ์มากมายแต่แล้วเวลาไปสเสด็จไปมรรคผ่านนั้นต้องเดินไปแถมท่านบอกพรานร น, นั้นท่านเหนื่อยพระนรนันยังเขี้ยวเขีนท่านทรงบาดให้บอกว่าช่วยไปตักน้ําแม่น้ําสายหนึ่งหนึ่งฮะท่านท่านเหนื่อยมากทีนี้พรานรนั้นบอกว่ากองเกวียนพึ่งผ่านไปน้ําคุณนหมดแล้วไปกินสายหน้าดีกว่าท่านบอกท่านเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินไปไปตักมา <c oughs> คือผมอยาสรุปง่ายๆหนึฮะการมองชีวิตของศ า, ศาสดานั้นสําคัญมาก พรมองว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับเรามองครูบาอาจารย์ของเรานะครับในพุทธศาสนาเรามองความฝันระหว่างสิทธ์อาจารย์ในแง่ของกัลยาณมิตรตาความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเราไม่ได้มองอาจารย์เทวดาสมาีเป็นชีตายนะไม่ได้มองอย่างนั้นครับพระเจ้าปฏิเสธระบบความเชื่อนี้นะครแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมอินเดียเก่านะครับครูสั่งให้ไปตายต้องตาย ครูสั่งให้ปตัดนิ้วคนสักพันต้องไปเนียพระอุริมานในเชื่อในวัฒธรรมกระแสนั้นมากๆพุทธศาสนาได้ปฏิเสธสิ่งนี้ความสัมพันธ์แบบคนหนึ่งกดขี่มีอำนาจเหนือคนหนึ่งท่านไม่ยอมระบบวันหน้าท่านปฏิเสธเลยถือว่ากรรมเป็นผู้ตัดสินไม่ไม่ไม่ใช่วันนะท่านเสนอความระบบสัมพันธ์เรียกว่ากัลยานมิตรตาแล้วท่านเองบอกว่าท่านเป็นเพียงกาลยานมิตรของสัตว์ทั้งหลาย ผมว่ามื้อหานี่สำคัญที่ทำให้เราหลุดพ้นจากการยึด ต, ตัวถึงตัวบุคคลอย่างงมงายหัวชนกำแพงแกันนะครับเราเกิดการช่วงของเดือนที่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนื่อยจากยึดติดในบุคคลครับเลยไม่ใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนจริงๆคือว่าผมอยากจะพูดในแง่ของศัสนาแต่ละศาสนาคือในแนวทางคือเนี่ย ถ้าเราจะทำให้ใครเชื่ออย่างมหาสารเนี่ยแต่ว่าให้ใครปฏิบัติตามเรามันต้องเหนื่อยมากๆแล้วก็มีความอดทนเป็นพิเศษซึ่งไอความอดทนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้สาวงต่างเชื่อว่าพระองค์เนี่ยมีความสามารถพิเศษแต่ว่าไอสิ่งที่อดทนเหนือมนุษย์เนี่ยมันมันสิ่งเป็นสิ่งที่มีมากับพระองค์เอง แต่เว่ลาติแต่ละศาสนาก็มีอริยสัจที่นี้แต่อยากจะให้ข้อคิดเห็นว่ามันมันน่าจะมีสาเหตุมาจากว่าความอดทนที่ลําลึกแล้วก็สติปัญญาที่ฉเฉลียวฉะลาดที่จะแก้ปัญหาเพื่อทวงเสียทุกอย่างเพื่อโลกอย่างแท้จริงข้อสังเ็ตแบบนี้ก็ดีนะฮะผมก็นึกถึงฐานะที่แท้จริงของพระเจ้าที่ท่านอธิบายตัวท่านเองต่อภาษาพุทธพราหมค์ขนึงก็ถาง พรงว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่นิพพานก็ตั้งอยู่คือมีอยู่นะฮะพระสาวกที่ปฏิบัติตามคําของท่านก็มีอยู่ถามว่าพระสาวกทุกองค์เข้าถึงที่สุดทุกหมดไหมพระเจ้าเปล่า <laughs> ไม่หมดท้าวอ้าวทาไมอย่างนั้นเน่ยท่านบอกพรามณ์เอยเราจะทําไงได้คาตาโรทากตาตุ้งในกิจังอันตรปังผมก็ยกบาลีขึ้นมาอย่างนั้นเอง เธอรู้ว่าผมไม่ได้สร้างคำตอบเองทขาบอกว่าเราจะทําไงได้ในเมื่อตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางการเดินเป็นเรื่องของเธ อ, น, อนั่มายเงินนะครับคศาสดาไม่เอานิุ้แตะหน้าผาเราบรรลุทำเลยหรือ่องมือมาคำหัวแล้วก็การผู้รู้แจ้งมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าศาสนาอื่นเขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าครูมีพลังพิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้พุทธเจ้าปฏิเสธความเชื่อนี้เลยนะ่ย หลักกะลามสูตรจะบอกเลยครับหลักกาลามสูตรแทนที่จะเป็นหลักให้เชื่ออย่างไรกับว่าหลักไม่เชื่อแต่ว่าต้องอ่านให้รอบคอบนะฮะท้ายพิสูจนนั้นท่านบอกว่าเมื่อปฏิเสธหลักเชื่อสิประการนั้นแล้วแม้แต่ครูก็ไม่เชื่อนะฮะให้ใช้ตรปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะฮะแล้วฟังคําของท่านผู้รู้เช่นผู้รู้เขาพูดว่าอย่างไรแต่ไม่ต้องเชื่อแต่หยิบมาเป็นเป็นหลักสําหรับใครครูนพิจารณา เมื่อประสบการณ์ข้างในฟ้องขึ้นมาเองแล้วสอดคล้องกับคำท่านผู้รู้นะะเมื่อถึงวาระนั้นเวลาตัวเองเข้าใจท่องแท้แล้วไม่ต้องถามใครนะฮะการ <c oughs> ที่เราศรัทธาใครสักคนหนึ่งว่าเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายนะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองเลยนะฮะคือจะไม่มีการเจริญสติอีกเลยความเชื่อเป็นสิ่งนี้ผิดแพกจากสติ ส, สัมสยะอย่างสิ้นเชิงครับเหมือนฟ้ากับดินเลยครับเชื่อแล้วมันไม่มีสติแล้วครับ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 พระธรกถาโพธิสัทฐาคนะือศรัทธาในการจดสรู้ของพระเจ้าไม่ใช่ศรัทธาในตัวท่านเนะือคือถ้าพระเจ้าไม่ได้จดสู้ก็เหมือนกันในกรในขอในงอนนั่นเองแต่ศรัทธาในการจดสู้ของพระเจ้านะว่าพระเจ้าเป็นคนธรรมดาสามัญอาศัยสติปัญญาวิรยิยะความเพียรข้ามอดนถึงที่สุดทุกจดสรู้ขึ้นมาศรัทธานี้ครับไม่ได้ศรัทธาตัวท่านแต่ว่าตัวท่านก็รวมอยู่ในการจดสรู้นี้เอง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 รัฐบาลชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนีคยเพราะว่าเขาปกครองตัวเองได้แล้วรัฐทุกรัฐนักประฏิการทั้งหมดจะชิงชังที่สุดตรงนี้เว่าคนปกครองตัวเองไม่ได้คือคนที่มีสตินั้นรัฐก็ปกครองง่ายครอบครองครอบงำง่ายดังนั้นคนที่ปกครองตัวเองได้เขาก็เป็นผู้ใหญ่ถูกไหมฮะพุทธศาสนาไม่ได้หวังที่ใช้มนุษย์สนองตัญหาหรือทิฏฐิใดๆทั้งสิ้นครับต้องการให้มนุษย์เข้าถึงอธิปไตยในตัวเองเข้าถึงอิสรภาพในตัวเองมันจุดเริ่มต้น ไม่ใช่เริ่มด้วยการนิ้อาจารย์ครอบงำศีลให้เชื่อผูกมัดล่ามเท้าล่ามมืออย่าคิดอย่างนี้นะผมต้องพูดว่า บ, บางสำนักบอกว่ า, วาถ้าไปสำนักน้องแล้วอย่าเข้าสำนักนี้เอาขนาดนั้นเลยครับเข้าสำนักนี้เลยไปเข้าสำนักอื่นเป็นพวกนอกรีดเอาข้านอนเลยครับผมสรุปว่าการท้าทายศาสนาการตีความศาสนาเป็นสิ่งที่จําเป็นการแม้แต่การเปลี่ยนลทัทธินิกายก็ อ, อาจจะจําเป็นสำหรับบางคนแต่การบอกเลิกศาสนานนั้ไม่บังควรครับ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 แต่ก็ไมเป็นยงงีที่าม่สน อย่างคือศานาที่มัจะป้อรอย้ไปกาะผงคมจะยงนน้ำด้วยเช่นเดวนี้เราก็เห็นกันว่าคนับเร่มมีลูกอ่ามีประทัแหวจหน้าวัเลยนะหรือว่าใส่ปูเมฆถัดจะเรื่องวัฒนธรรมไทยเปลักษณะนั้นครับก็ปัญหาอยู่ที่ความหมายขงศาสนธรรมนั่นเองครับ เพราะว่าสิ่งที่ยกมาอาจจะไม่ใช่าศาสนาเลยก็ได้ตัววันนี้ที่ขึ้นป้ายติดที่ห้ออันศาสนาอาจจะตรงข้ามเลยก็ได้ครับนั้นประเด็นหลักนี้เป็นเรื่องใหญ่นะว่ า, าศาสนาธรรมจริงๆคืออะไรแล้วเจตนารม์จริงๆาศาสนาทุกาศาสนาในโลกคืออะไรกันแน่อูมชินลีเกีที่ใช้แก๊สข้ามนั้นเขาก็บอกว่าเป็นาศาสนาคนระับแล้วคนคนหนึ่งที่โลกรู้จักดีก็คือฮิตเลอร์เขาก็บอกความเชื่อทัศนคตของเขาคือาศาสนา แล้วตัวเองเป็นนักาศาสนาด้วยนะฮแล้วเปนกินเจด้วยครับฟังดูน่าตกใจมากเลยเขาาบอกเขาเขาปฏิบัติาศาสนาความเชื่อของเขาแต่ปัญหาที่ตกค้างอยู่ตรงนี้ครับว่ า, าศาสนาการเติบโตขึ้นของปัจเจกภายใต้ร่มเงาองาศาสนธรรมนั้นเนื้อหาคือฮิวแมนเนสครับคือความเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีนั้นย่อมวิเศษหรือพิเศษไปจากการเป็นสมาธิกบทที่ดีนะฮะ การสมาชิบทที่ดีอาจจะเป็นบทที่เลวก็ได้ครับดังนั้นเราต้องมาถึงพินายอดแหลมของแต่ละศาสนามันไม่ใช่เพียงถกเถียงว่าของคุณผิดของผมถูกแต่บอกว่าน่าจะย้อนมุกสอนว่าของเราต้องสำรวจของเราผิดพลาดอยู่ตรงไหนบ้างเจ้าที่ยศาสนาแต่ละบทแทนที่จะมุ่งเผยแผร่ผมคิดว่าต้องสํารวมลงแล้วพิชฌกให้มากขึ้นเจรจาในเนื้อความของการเติบโตของความเป็นมนุษย์ความเป็นคน ไม่ไม่ใช่ยิมพันดี้นะครับไม่ใช่มนุษยธรรมเลมนุษยธรมนี่มันอาจเป็นสิ่งจอมปลอมได้อ้างเพื่อมนุษยธรรมลมแก๊สเลยเนียอมชิลิเกว่แล้วก็อ้างอย่างนี้นเนก็บอกว่าโลกกำลังมาถึงใกล้วันสิ้นโลกแล้วดังนั้นตายก่อนเนี่ยปลอดภัยกว่าที่จะให้เกิดวิกฤตการณ์เขามีฟิลโลสฟีประหลาดประหลาดของเขาดังนั้นเราต้องมานำมาสู่จุดสําคัญยอดแหลมของโบส ท, ทุกทุกหลังเนี่ยแทนที่จะมุ่งพิสูจน์ใครสูงใครเด่นเหมือนกันเนี่ ต้องพิสูจนว่าภายในโบสถ์นั้นเจ้าหน้าที่โบสถ์เป็นมนุษย์หรือเปล่าเหมือนว่าเรามีภรรยาสามีนอนคเคียงข้างกมา20ปีแล้วนะ่เชา้าจู่วันหนึ่งเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่มนุษย์เขาคล้ายมนุษย์เท่นั้นเลยยุ่งันใหญ่เลยน่าตกใจมากเหมือนกับเราเชื่อท้าวันสง์เป็นท้าววันที่ดีที่สุดมาวันหนึ่งเอ๊ะท้าววันที่น่าสงสัยที่สุดขึ้นมาหมดเลยแค่นั้นนะฮะศาสนธรรมนั้นเป็นไกลหลายเท่านั้นนะครับ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 เหมือนนั้นถ้าเราดูการเมืองการเขียนข่าเนี่ยมักจะเป็นผู้แอบอ้างศาสนาเข้ามาเพราะดูเหมือนพออ้างศาสนาดูมันเก๋ดีนะเท่ดีเป็นนักศาสนาโอ้โห จ, จิตใจสมมุติเขต้องสูงส่งเขาต้องุึลึกในศรัทธาในสิ่งสูงนี่ะแต่ที่จริงแล้วความเป็นคนดึงง่ายดนิดเดียครับก่อนหน้าที่เราจะเป็นพลเมืองของชาติรัฐรัฐะหนึ่งใดก่อนหน้าที่เราจะเป็นสมาชิกของโบสหนึ่งใด